หลวงพ่อคำเขียนท่านมักพูดบ่อยๆนะคะหรือถ้าใครได้ดูแผ่น DVD ก็คงจะได้เห็นว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคำนี้เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆใ ช, ใช่ไหมคะรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายว่ามันคืออะไรและเกี่ยวข้องยังไงกับการเห็นและไม่เป็นคะด้วยเวลาสั้นๆนะครับผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อให้เป็นอุปมาและสรุปความว่าไม่เห็นและไม่เป็นอะไรให้ทาเหมือนเราดูหนังในโรงหนังที่หนังที่สนุก หนังที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันดีเหลือเกินมันจบลงแล้วเนี่ยคือหนังที่ตื่นเต้นเราใจบางครั้งมันมีเรื่องราวเหตุการณ์จนถึงกรับว่าเราน้ําตาไหลออกมาด้วยความรู้สึกเจ็บปวดอะไรบางอย่างบางทีตื่นเต้นจนกระทั่งเราลืมตัวส่งเสียงหรือแสดงอากับกิริยาอะไรบางอย่างแต่เพราะเรารู้ว่านั่นคือหนังนั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นให้เรารับรู้ในชีวิตของเรานะครับในชีวิตของเราถ้าเราทําได้คล้ายๆเหมือน กำลังดูหนังชีวิตที่มันกําลังเกิดปรากฏขึ้นในเนื้อในตัวในจิตใจเราเองและทําความรู้สึกตัวให้ได้ว่าสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเรื่องราวที่มันเป็นภาพยนตร์ที่เราไปดูในโรงความรู้สึกแบบนี้คือเราไม่เป็น ไม่เป็นกับตอนที่เราดูเราอาจจะเผลอรู้สึกตกใจเมื่อมันมีฉากตกใจในหนังเราอาจจะรู้สึกเศร้าเมื่อมีหนังมีฉากเศร้าเรารู้สึกเหมือนกับว่าน้ําตาไหลเมื่อมีสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์แห่งความโศกเศร้าแต่สุดท้ายเราก็เช็ดน้ําตาและบอกหนังเรื่องนี้ดีเหลือเกินในชีวิตของเรา ที่หลวงพ่อท่านพูดให้มีความหมายเช่นน so ั้นครับคือคําอธิบายนี้มันอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ครับพอเรารู้สึกได้ว่าถ้าเราสามารถทําความรู้สึกตัวให้ได้ว่าชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วต้องผ่านพบประสบเหตุการณ์ต่างๆนานาเหล่านั้นแหละแล้วเหตุการณ์ต่างๆนานาเหล่านั้นแหละคือความหมายของชีวิตที่เราจะได้เสพสัมผัสจะได้เสพเฉไวรสชาติชีวิตและเราก็จะไม่ไปอินไม่ไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นก็คือเรารู้สึกเหมือนกับออกจากโรงหนัง ที่ยังรู้สึกใจเต้นตึกตักตึกตักด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกับฉากของหนังแต่สุดท้ายเราก็บอกว่าหนังเรื่องนี้ดีเหลือเกินชีวิตนี้ก็เหมือนกันครับถ้ามีอะไรซึ่งเป็นความทุกข์เราก็ควรจะได้รู้สึกว่านี้เป็นเรื่องราวในชีวิตและสุดท้ายเราบอกว่าชีวิตนี้ช่างดีเหลือเกินช่างงดงามเหลือเกินคือเราไม่เห็นและเราก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรครับ